ค่อยๆปอ่อนครยน้อมจิตมารู้อยู่เฉพาะใบหน้าแ mm hmm. ดายกจิตไปที่มือข้างขวาขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึก mm hmm. ยกมือขวาขึ้นช้าชเคลื่อนไปช้าชา mm hmm. วางมือขวาไว้ที่คอข้างขวาให้จิตรู้สึก ขยับปลายนิ้วมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นช้าๆเคลื่อนมือซ้ายไปวางไว้ที่ข้อข้างซ้ายให้จิตรู้สึกแล้วนอมจิตมาสู่ใบหน้ารู้อยู่ที่ใบหน้าของตนพหกหน้าขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ลืมตาออกจากสมาธิให้สังเกตสภาวะตรงนี้ว่าเวลาเราออกจากสมาธิแล้วลืมตาแล้ว เราจะสังเกตว่าสภาวะธรรมที่ชื่อว่าอุเบกขายัางอยู่สติที่อยู่บนอุเบกขาก็ยังอยู่ให้รู้จักให้รู้จักสภาวะนี้ไว้เพื่อให้จิตได้มีประสบการณ์ในการเก็บเกี่ยวองค์ของธรรมะที่ชื่อว่าอุเบกขาในยามที่เราไปปฏิบัติเองข้างนอก <c oughs> อเปลี่ยนดุริยบทเพื่อคลี่คลายนะก็อนุโบทนากับบางคน ที่เคยเห็นสภาวะบางอย่างวันนี้ก็ปลดปล่อยมันไปได้นะอันนี้เป็นเครื่องให้เราเห็นว่าเวลาเราทําสมาธินั่งทําเองที่บ้านแล้วเราเห็นสภาวะอย่างนั้นเห็นสภาวะอย่างนี้และเพราะว่าเรามันแน่วแน่กับลมหายใจเราก็ปล่อยสภาวะเหล่านั้นออกไปได้โดยไม่ต้องไปยึดติดกับมันแล้ะพอเราออกจากสมาธิเราก็รู้ว่า มันแค่สิ่งที่เกิดขึ้นและก็ดับไปจริงๆไม่มีอย่างไรอื่นตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อนุโบทตนาใครจะไปห้องน้ำก็เชิญกำลังของอูบเบกขาพอทำพร้อมๆกันหลายๆคนนี่มันเป็นพลังนะเงียบสงัดเออ เพราะฉะนั้นผู้เวลาเราทำสมาธิเรามักจะได้ยินเสียงเล็กๆชัดเจนเพราะความเงียบที่เกิดขึ้นจากจิตทุกดวงมุ่งเข้าสู่อารมณ์เดียวกันที่เป็นความเป็นหนึ่งเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้นี่สี่สิบห้านาทีที่มีคุณภาพนะใครรู้สึกว่าง่วงนะู่ไม่ได้มีไหมฮะหมอยังไง เวทนามาแล้วไม่ง่วงแล้วเนี่ยเวทนามามันไม่ก่อยง่งวง น, มม น, มนมะมันือมไม่ง่มงเพราะฉะนั้นในทางการภาวนานะ่ะเวลาเวลาเราว่าจิตหดหูก็รู้นะพระเจ้าว่าจิตงดหูก็รู้จิตมีราคะก็รู้ จิตกระสับกระสายก็รู้จิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้จิตมีราคะก็รู้จิตมีราจิตไม่มีราคะก็รู้นี่น ก, ก็เราก็รู้มันน่ะเราก็รู้มันตอนแรกมันใสใช่ไหมจิตใสก็รู้ไม่ใช่เพราะว่าพอจิตใสเสร็จแล้วเนี่ยเราไปยึดติดในทภาวะในของคำ ว, ว่าจิตใสไว้ โดยไม่รู้ตัวแล้วก็รู้ลมหายใจไปเรื่อยพอจิตมันเกิดความไม่ใสจิตมันเกิดความคุนเรารู้สึกว่าโอมไม่ดีเลยทำไมเราจะต้องดีตอนใสทำไมเราต้องไม่ดีตอนมันไม่ใสที่เราดีตอนมันใสนั่นแหละคือตันหาเราไม่ดีเรารู้สึกไม่ดีตอนมันไม่ใสนั่นก็คือตันหาตอน ตอนมันใสตอนมันใสเราก็แค่รู้ว่าเออมันใสตอนมันไม่ใสเราก็แค่รู้ว่าเออมันไม่ใสแล้วเราก็ไปอยู่กับลมหายใจซะเวลาจิตมันรู้กับลมหายใจทั้งตอนที่จิตใสและรู้ลมหายใจเวลาเรารู้ลมหายใจจิตมันไม่ใสแล้วเรารู้ลมหายใจมันเหมือนกันอมันเหมือนกันเหมือนเรานั่งรถไฟ ผ่านไปตรงนี้เห็นสวนดอกไม้สวยแต่เราอยู่บนรถไฟนะอะพอผ่านไปอีกเห็นคนตีกันหน้าสถานีสถานีหนึ่งเราอยู่บนรถไฟนะห้ามลงอันนี้เพราะว่าพอเราเห็นสวนดอกไม้เสร็จโอ้ยดีเหลือเกินเนาะพอไปเห็นคนเห็นคนตีกันหัยแย่แย่แย่ เขาตีกันไม่ใช่เราตีเราจะแย่ทําไมเจอสวนดอกไม้ก็สวนดอกไม้มันไม่ใช่เรา <c oughs> ไม่มีเราในสวนดอกไม้สวนดอกไม้ไม่ใช่เราเราก็แค่รู้ว่ามันคือสวนดอกไม้แค่รู้ว่าคนตีกันแล้วเราก็อยู่บนรถไปต่อไปอืม <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้จิตใสเราก็รู้ลมหายใจจิตใสเราก็รู้ลมหายใจจิตรู้สึก คุณคุณเราก็รู้ลมหายใจไอตัวจิตที่รู้ลมหายใจต่างหากที่เป็นอนิสิตะส่วนใสส่วนคุณนั่นเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นแล้วก็หายไปใสมันก็เกิดขึ้นแล้วก็หายไปคุณก็เกิดขึ้นแล้วก็หายไปต่เว่าเรารู้สึกว่าใสแล้วดีคุณแล้วไม่ดีอย่างนั้นแสดงว่าเรา เกิดการปรุงแต่งขึ้นในขณะที่จิตมันใสเกิดการขุนขึ้นในขณะที่จิตมันขุนเกิดการปรุงแต่งขึ้นในขณะที่จิตมันขุนเราจะต้องแน่วแนคําว่าเป็นกลางเนี่ยหมายความว่าเป็นกลางห e? มายความว่าจิตจะต้องรู้อยู่กับลมหายใจในเบื้องต้นก็เป็นกลางอยู่กับ ก, บการกาหนดรู้แต่ถ้าจิตเรียบแช่มชื่นเกิดความรเรืองขึ้นมามีอุเบกขาและสติ ตั้งอยู่ที่อุเบกขานั้นจิตก็เดินออกมาจากลมหายใจมันก็เกิดความเป็นกลางเกิดความเป็นกลางขึ้นมาที่เรียกว่าความตั้งมั่นแล้วก็แค่รู้ลมหายใจที่เคลื่อนไหวอย่างธรรมชาตินั่นก็เป็นกลางเหมือนกันเรียกว่าเป็นกลางในส่วนที่ชื่อว่าแค่รู้มันจะปรุงแต่งไม่ได้แต่ถ้าว่ า, เ, าเราจะไปรู้สึกดีตอนมันนั่งใหม่ๆ รู้สึกไม่ดีตอนไปนั่งหลังหลังอย่างนี้เรียกว่าจิตถูกปรุงแต่งขึ้นอํานาจของสัญญาอํานาจของเจตนาก็ก็มีกําลังต่อไปกําลังที่เรารู้ลมหายใจสติกับสมาธิที่เกิดก็จะมีกําลังน้อยแต่ถามว่าทุกคนจะเจออย่างนี้ไหมก็เจอเพราะอะไรเพราะมันเป็นทางเดินของผู้ปฏิบัติต้องพบทุกคนแต่เราต้องผ่านเขาไปให้ได้ก็เลยความด้วยกันแน่วแน่อยู่กับลมหายใจของเรานั่นแหละ ไม่ต้องผ่านด้วยวิธีการอื่นนะผ่านด้วยวิธีการแน่วแน่อยู่กับลมหายใจของเราแล้วเราก็ไปช่วยหาทางช่วยในการอยู่กับลมหายใจในชีวิตประจาวันในระหว่างวันด้วยอ่าถามได้นะยัาถามไหมครับครอ่อราระหว่างนั่งเนีน่ยครับ มีเห็นเทวดาเห็นจะพาไปเที่ยวสวรรค์นรัเออนั่นแ่ะมันก็เป็นธรรมดามีกับพันบอกไม่ให้ไปไม่ต้อไปไม่ต้องไปเออในสัญญาคล้ายๆว่าจะเหมือนว่าต้องช่วยเขาต้องแผ่เมตตาให้เขาก็แผ่ไปครูบาอาจารย์บางทีท่านก็สอนให้แผ่เมตตาเพราะแผ่เมตตาฮะก็หลังจากนั่งสมาธิทุกครั้งต้องแผ่แล้วก็แผ่แผ่ให้มันคุ้นอะ การแผ่เมตตาเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญเพราะแผ่แล้วทำให้จิตมันนุ่ ม, มทาให้จิตมันนุ่มจิตนุ่ ม, มหมายความว่าเป็นจิตที่มีอำนาจและกลับมาอยู่กับอารมณ์อยู่กับลมหายใจได้ง่ายมันจะทำให้แยกสภาวะออกไปชัดครูบาอาจารย์อนุมาเมื่อก่อนนี่นั่งดูความมืด คือห ล, ล, ล, ล, ล, ล, ลับตาแล้วเรลัตาแล้วเราเห็นมืดใช่ไหมหลับตาอย่างเงี้ยมันมืดก็ดูมืดเนี่ยดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆสองชัวง่วโมงสามชัวม่วโมงดูไปเรื่อยๆดูมืดเนี่ยดูความมืดเนี่ยดูไปเรื่อยๆเวลาเสร็แล้วมันก็ทุกอย่างมันเหมือนเบรกอะ่ะเข้าใจป่ะมันเหมือนเบรกจึ๊บอะไรๆมืดก็นิ่งแล้วทีนี้มันค่อยๆไหลเอื่อยไปเรื่อยๆ โดยความมืดจะแหวกออกไปเงี้ยเป็นชั้นเป็นชั้นมืดจะแหวกเหมือนจอหนังเราไปดูในโรงหนังสมัยก่อนนะม่านหนังมันเปิดมาเงี้ยแต่มันหลายชั้นมันแหวกช้าแหวกแหวกแล้วก็เร็วขึ้นเร็วเร็วเรจู่มันสว่างโพลนแล้วมันมีตัวอะไรไม่รู้โอ้โหทั้งไอ้ทั้งเขี้ยวทั้งขาทั้งแขนทั้งมือมันไม่ใช่สัตว์ที่เราเคยเห็นในโลกใบนี้ยมันโผล่ปุ๊บขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องไง พอพลุบขึ้นมาถึงตกใจออกจากสมาธิทีนี้ก็มาปรุงว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะก็ไปถามถามพระที่เขาบวชก่อนเขาว่าเออนั่นทำเจ้ากรรมนายเวรนะต้องแผ่เบตาเราก็โอ้ต้องรีบแผ่เลยแผ่เดี๋ยวนั้นเลยนะตั่งแผ่แผ่นึกภาพไอไอไอสัตวัวนั้นน่ะแล้วก็แผ่แผ่แผ่แผ่แผ่จนจิตมันนุ่มแล้วก็มันก็หายไปจริงเลยเออคือไอคนแนะนาเขาก็ไม่รู้เรื่อง มันก็พูดไปตามที่เขาเล่ากันมาแต่เราเนี่เป็นคนทําจริงเราก็ออกมาทําเออมันก็ได้ผลอะไรผลจึงรัวไอ้ไอ้ไอ้ที่มันโผล่ขึ้นมามันก็ไม่ใช่อะไรนะมันแค่นิมิตรสัญญาคือจิตเรามันท่องเที่ยวมานานเหลือเกินเรื่องราวที่เรารู้ในผ่านประสบการณ์ของจิตเนี่ยบางเรื่องมันเรียนรู้มาจากโทสะบางเรื่องมันเรียนรู้มาจากโบหะบางเรื่องมันเรียนรู้มาด้วยอํานาจของราคะบางเรื่องมันเรียนรู้มาด้วยอํานาจของพยาบาท มันเยอะแยะมากมายในมิติของจิตที่ผ่านการเรียนรู้และทุกครั้งที่มีการเรียนรู้จะถูกสะสมไว้ที่จิตด้วยอํานาจนี้แหละพอจิตมันจะรวมจิตมันจะอยู่กับอารมณ์อันเดียวปั๊บตัวสัญญานุผู้เหล่านี้ก็จะสร้างเป็นนิมิตขึ้นมานั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าสมุดยัทธมานุปัสสีวากายสัมมิงมิ哈รติแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นวิยัทธมานุปัสสีวากายสัมมิงแค่รู้ว่า มันดับไปเป็นธรรมดาเกิดและดับเป็นเรื่องธรรมดาของสภาวะทั้งหมดแต่ทีนี้พอเราไปปรุงแต่งคาดหมายมันมันเป็นพญานาคมันเป็นสัตว์ประหลาดมันเป็นเจ้ากรรมนายเวรมันเป็นเทวดามันเป็นนั่นมันเป็นนี่มันก็จะนำพาจิตเราเข้าไปสู่บ่วงของสัญญาแล้วก็ปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งแล้วเราก็เดินทางไปกับเขา เราก็เดินทางไปกับเขาซึ่งในการทําอานาปาณสติมันจะทําให้การภาวนาหยุดชะงักลงและถ้าเดินไปกับเขาบ่อยๆเดินกับเขาบ่อยๆๆเนี่ยไอ้คนที่มันต้องเข้าโรงพยาบาลนะเพราะอะไรรู้ปะ่ะ เ, เพราะมันเดินไปกับนิมิตบ่อยๆจนสมองสร้างเซลล์ประสาทนี่จุดอันตรายแล้วใช่ไหมหมอ สมองสร้างเซลล์ประสาทหมายความว่าร่างกายมีความจำโดยอาศัยเซลล์ประสาทของสมองแล้วถาวรแล้วเมื่ออยู่ในเซลล์ประสาททีนี้เขาไปโรงพยาบาลหมอให้ยาปึก๊กให้ยาเลยหยุดคิดยืนตัวทื่อยาเนี้ยนะมันหยุดหยุดการคิดของสมองหยุดการทางานเลยหยุดคดหลังจากนั้นค่อยๆปล่อย ค่อยๆค่อยผ่อนยาลงผ่อนยาลงผ่อนยาลงผ่อนยาลงเมื่อจิตหมกมุ่นอยู่กับการมีนิมิตบ่อยๆจนสมองมันสร้างเซลล์ประสาทก็ไอที่คนแก่คนแก่ทำไมมันจำได้แต่เรื่องอดีตก็บอกว่ากินของขมชมเด็กสาวเล่าความหลังนี่เป็นนิยามของคนแก่รุ่นนี้เริ่อเนี้ยเรื่องนี รุ่นนี้รุ่นนี้ไอ้ความหลังจําได้ดีเพราะอะไรเพราะเซลล์ประสาทที่สมองมันสร้างขึ้นอยู่แต่มันไม่สร้างเซลล์ประสาทใหม่เพื่อที่จะมาจําเพราะความอ่อนแอของสมองความเสื่อมของสมองไงท่านคนพระที่ว่าท่านภาวนาภาวนาภาวน า, า, วนาคือสมาวะจนจิตได้ชาญได้สมาธิอยู่บ่อยๆบ่อยๆสมองก็สร้างเซลล์ประสาทปรับกายให้เกิดได้ดุลของมันก็สร้างเซลล์ประสาทเพื่อมารองรับอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้แน่วแน่อยู่กับลมหายใจ อืก็ก็ถูกแล้วก็อบอกอย่าไปอย่าไปอย่าไปออก็ถูกแล้วก็ห้ามไปไปมันก็จะหมกมุ่นโปรุงแต่งเคยมีเมื่อก่อนที่วัดมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งแกหลับตาปับ๊บมันกกเห็นจะแม่กวนอิมแล้วอืพอหลับตาเนี่ยจะาแม่กวนอิา ม, มาแล้วรอยมาเจ้แล้วก็ถ้าจะแม่กวนอิ ม, มาแกมีความรู้สึกว่าต้องคุบเขายกมือขึ้นเงี้ยแล้วไปไหนลูกต้าก็อายคน เพราะอะไรไปนั่งอยู่หน้าสถานนี้รถไฟ อ, อยู่ๆพลับตาจะแม่กูดีมาก็ต้องคุบเขา่าไอ้ลูกที่ไปด้วยกันมันก็ใครว่าไม่ใช่แม่กูระวังนะ<笑><笑><笑>อนี่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่แกรู้ตัวด้วยแต่แก้กไม่ได้เพราะมันเห็นเห็นมาเป็นสามปีสี่ปีห้าปีจนไม่รู้จะทํำยังไงมาหานทำไม ก็ไปหามาหลายที่เขาบอกว่าถูกของมั่งอะไรมั่งว่าไปนะเขาบอกหลวพ่อเนี่ยเขาว่าโยมถูกของอย่างนี้อย่างนี้อัตมาไม่ปฏิเสธแกแม้แต่อย่างเดียวเราบอกแกว่าอก็ก็ได้นะแต่มันมีที่แก้ได้ยิ่งไปกว่านั้นคือโรงพยาบาลชมเด็จจ้าปยาแกบอกว่าโยมไม่ใช่บ้านะบอกไม่ได้บ้าแต่ที่นั่นนะ่ะเขามีฐานข้อมูลของคนที่โดนของมาทุกประเภท อ๋อจริงๆเขามีฐานข้อมูลของคนที่โดนของมาทุกประเภทเขารู้หมดเลยว่าคนดุนแบบนี้มาโดนของอะไรค น, นแบบนี้มาโดนของอะไรเชื่อเถอะไปเถอะ <laughs> และเก็ก็ไปหนึ่งอาทิตย์กลับมาอีกทีหนึ่งโอ้โหมากราบงามๆเลยโอยเขารู้จริงๆพ <c oughs> ปไปถึงมันให้ยาหยุดคิดนะ พอใยาหยุดคิดไม่ให้สมองมันทํางานไม่สมองคิดเลยก็ตื้ออย่างเงี้ยแล้วค่อยๆลดยาค่อยๆลดยาค่อยๆลดยาลดยาลดยาลดยาลดยาไปเรื่อยๆจนกระทั่งสู่ะปกติแต่หลังจากนั้นก็ต้องกินยาด้วยนะอืมนี่ก็หายแต่ว่าอันเนี้ยมักจะเกิดกับคนที่เป็นโบหะจริต คือพอหลับตานั่งสมาธิไม่ได้อะเดี๋ยวเห็นนะ่ะแล้วเมื่อโตเห็นละครั้หนึ่งนะมัน ก, ก็จะเห็นแต่อาณาแก้ได้นะคืออาณานี้ปักจิตไปเลยตั้งอธิษฐานเลยนั้นเขาจึงมีกรรมอารัตนากรรมฐานคอลสมาเตี้ตมาเวลาจะเข้าคอรสเราก็จะมีนัตติเบสรนังกัญยังที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีว่าไปเรืยคือให้อารัตนากรรมฐานเพื่อตั้งสัจจะกับจิต ว่าเราจะอยู่กับมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ของจิตอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากลมหายใจนั้นเพียงแค่รู้การเกิดและการดับ <Okay. S 1> ไ้คาถาหนึ่งที่ให้ไปเมื่อวันเดือนที่แล้วอะอุปาทะทิติพังคะ <laughs> ใครไม่มาว่าอานที่ที่แล้วนะไม่รู้เลยทีเดียว อ, อุปาทะแปลว่าเกิดขึ้นทิติ แปลว่าตั้งอยู่พังคะแปลว่าดับไปทุกๆสภาวะมันแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไอ้นี้ น, น, น, นี่หนึ่งอย่างแล้วแล้วมันต้องประกอบกับการศึกษาอาการสามสิบสองเนี่ยอาการสามบสองเมื่อเราศึกษาแล้วพิจารณาแล้วเอาจิตที่เรารู้อาณาเนี่ยพอมันสรุปในระดับหนึ่ง แล้วก็มาพิจารณาการจีสองการเรียนรู้อาการบีสองสิ่งที่เราจะได้หนึ่งเราเข้าถึงรูปนามแท้ๆคือกายกายของเราแท้ๆเข้าสู่รูปกายแท้ๆทีนี้เวลาเราเข้าสู่กายแท้ๆเข้าสู่รูปแท้ๆเนี่ยมันจะทำให้อากจิตที่มีฉันทะต่อการที่จะอยู่กับกายอยู่กับลมมันเกิดง่าย อาการสามสองนี่เบื้องต้นมันนะมันมีคุณมากอพนนักเร็งภาวนาเรยนักเร็งนิพานเนี่ยจะต้องนอกจากลมหายใจแล้วต้องจําอาการสามพิบสองให้ได้นะท่องไปเรื่อยชองกาแฟก็เสกไปเรื่อยนะผมขนเล็บขนหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจว่าไปเรื่อยจําได้ยังนุนจําได้ยังอาการสามสองอ่ะฮะฮะ โอ้โหชี้ถ oh, ูกคนวะไม่ผิดพลาดเลยนูตอนอายุยังไม่มากจําำอาการสามสองได้ใช้ได้ถ้าใครไปถามพระพุทธเจ้าในสมัยโน้นนะว่าขอสาธยายขออารมณ์กรรมฐานพระเจ้าจะไม่ให้อย่างอื่นนะพระเจ้าจะให้อาการสามิบสองรู้จักกันในสมัยนั้นว่าเป็นพุทธมนตในอาการสามิบสองเนี่ย แต่ว่าเราเวลาเราพิจารณาเราใช้อันใดอันหนึ่งที่ถนัดและพิจารณาของตัวเองนะอย่าไปพิจารณาของผู้อื่นพิจารณาผมก็ผมตัวเองกระดูกก็กระดูกตัวเองหนังก็หนังตัวเองและการพิจารณาเกณฑ์นในการพิจารณาเพื่อไม่ให้เกิดความหลงก็คือว่าดูความเป็นจริงดูความเป็นจริงความเป็นจริงของมันก็ มีการชี้นําในทางปริยัติก็คือว่ามันเป็นปฏิกูลมันเป็นปฏิกูลผมก็สกรปรกพิจารณาหเห็นเอในมีสมัยพุทธกาลเนี่ยพระที่ทําการพิจารณาอาการสาิบสองแล้วก็ไม่ไม่อยู่กับลมหายใจพอพิจารณาเสร็จแล้วเห็นร่างกายแล้วมันโอ้มันสกรปรกจะอิจฉเยนไม่อยากอยู่ไม่อยากเอาแล้วกายนี้มันเหมือนกับเดินไปไหนก็เหมือนกับเอาซากศพมาแขวนคอะ โอ้โหมันทุกข์มากเลยที่สุดต้องไปจ้างไปจ้างคนให้ฆ่าตัวไปให้เขาฆ่าเขาไม่ฆ่าไปจ้างเขาให้ฆ่าตัวเองอ่ะพระพุทธเจ้ากลับมาอิพระหายไปไหนหมดวะปรากฏว่าพวกนี้ไปจ้างให้เขาฆ่าตัวเองจ้างด้วยบาทมั่งจ้างด้วยบริการที่มีอยู่ช่วยช่ยช่วยช่วยฆ่าข้าพเจ้าหน่อยช่วยฆ่าข้าพเจ้าหน่อยตายกันเยอะเยอะเลยอเพราะว่า ไปดูอาการสามสิบสองแล้วมันปรุงเกินความเป็นจริงไนงะจิตมีความปรารถนาที่จะหาความงามจากกายจิตมีความปรารถนาที่จะหาความสวยความความผุดผ่องความปล่งปลัง่งอะไรทุกอย่างดีๆของกายเนี่ยแต่พอไปพิจารณาแล้วมันไม่มีไม่มีมันก็ยังหาหาหาจนกระทั่งรังเกียจ ต, ตัวเองอะ่ะเออมันยอมรับไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราพุทธเจ้าเข้ามาต็กแก้ด้วยยังไงก็เอาพระที่เหลือทั้งหมดที่ยังไม่ฆ่ายังมีชีวิตอยู่ให้มารู้ลมหายใจสองอย่างนี้มันจะมันจะอยู่ด้วยกั น, นจะอยู่ด้วยกันเวลารู้ลมหายใจมันจะเข้าสู่สภาพของอุเบขาแต่ว่าเวลาเราไปพิจารณ า, าการสามสองมันทำให้เราเห็นกายชัดกายชัดมันก็พอเห็นชัดปั๊บมันมันคลายออกมาเป็นอสุภสัญญา อาสุภสสัญญาก็สามารถทำให้จิตได้ถึงอุปจารสมาธิความแน่วแน่ของจิตกำลังของวิตกวิจารปิติสุขและอุเบกานั้นจะมีกำลังมากพอสมควรในการที่จะพิจารณาถึงสภาวะต่างๆได้งนั้นการการเรียนอาการสามสองให้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญถ้าเรา จเจริญจิตตภาวนาแต่จิตยังมีความลุ่มหลงว่าเรามันสวยเรามันดอเรามันดีเรามันติ่งตึงเรามันอย่างนั้นอย่างนี้นะยังยังก่อนต้องยังก่อน้วที่ท่านให้ถือศีลแปดอ่ะบ้างในบางโอกาสเพื่ออะไรฮะ พอมาถือสินแปดั๊บรองพื้นมันหายไปป่ะพอถือสินแปดแล้วรองพุงรองพื้นมันก็หายใช่ไหมความเหี่ยวความย่นมันก็ปรากฏชัดของจริงเป็นยังไงเออพอถือสินแปดอะไอสินแปดอะจริงๆระมันมีอยู่สามข้อที่เพิ่มเข้ามาข้อข้อสามที่เปลี่ยนไป พอก็สามเปลี่ยนไปนี่ข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกแค่ทําให้ข้อสามนั่นน่ะ <S <S แข็งแรงสิแปดข้อหกไม่ให้กินข้าวตอนเย็น <S <S <Okay. S 1> เพราะอะไรเพราะว่าระหว่างเช้าถึงเที่ยงที่เรากินเนี่ยพอแล้วแต่ไอ้พวกที่ว่ามันไม่ได้กินตอนเช้าถึงเที่ยงอ่ะมันจึงจะไปกินตอนเย็นแต่พวกที่กินเช้าถึงเที่ยงกินแล้ว เย็นยังกินอีกมื่อเย็นนี้ทานในสภาพนี้บำบุงการอย่างเดียวบำบุงการอย่างเดียวเห็นี้ค่ะ ข, ข้อเจ็ดเครื่องประดับตกแต่งสูยร่งซีรีส์ทั้งหลายแดงปัญหาอะไรฮะบุระเรองด้วยอำนาจของการมล้วน แล้วข้อที่แปดให้นอนบนที่นอนเรียบๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มียางผาราได้อนุญาตได้เพราะว่าอะไรเพราะไอ้ที่นอนที่อัดด้วยนุ่นสัมบลีหรือสปริงที่เขาออกแบบมาเนี่ยทุกยี่ห้อที่มันมีแบรนด์ที่ออกแบบมาเพื่อให้เรานอนแล้วเป็นไงสบายเวลาสบายนี่จิตปุตุชนเวลามันสบายมันมันเกิดอะไรการมาวิโตก อย่ามาโกโหกลเลยฉันไม่ ม, มีแค่จิตทวินหาที่นอนอย่างนั้นน่ะมันก็เป็นแล้วสมัยก่อนมีพระบุกเ อ, อเบก อ, อบุกขาราทนะเดินตามหลังพระเจ้าพระเจ้าให้ถือถือบาทเจ้าว่าท่านเดินอยู่วงเดียวไอ้นี่เดินผ่านไปถึงปั๊บโอ้โหเห็นพุ่มไม้น้ําตกแม่บรรยากาศมันสบปบายะมากอะ่ะบอกพระเจ้าว่า เกิดความคิดว่าโอ้ยเราต้องไปภาวนาตรงนี้แล้วเพราะเห็นนะเห็นสถานที่มันสวยเป็นธรรมชาติใช่ไหมก็บอกพระเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์รับบาตไปเถอะทิ้งพระเจ้าเลยพระองค์รับบาตไปเถอะอ๋อทำไมอะ่ะข้าพระพุทธเจ้าจะไปภาวนาตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเลยตอนนี้เราไม่มีใครมีแต่เธอองค์เดียว ไปกับเราก่อนพระองค์ก็พูดได้ที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วอะหม่อมฉันยังไม่ไปนึงถึงไหนเลยเนี่ยหม่อมฉันจะขอไปภาวนาตรงเนี้ยไม่ยอมส่งบาตรแน่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับบาตรไปเขาเดินลงไปถึงตุ้มตุ้มตุ้มเดินก็ไปโอ้โหมันสบายพอสบายเกิดอะไรฮะกามาวิตกเกิดทันทีเลยไอ้หนุ่มสาวมันชอบไปบอกรักขมเถ้ไหนชายทะเลเห็นไหม น้ำตกเห็ไหมในห้องอาหารที่มันปรับอากาศไอ้ดูดีมีเพลงคลาสสิกปรับให้อากาศมันว่าบรรยากาศมันโรแมนติกธรรมชาติสิ่งที่เกิดคือกา ร, รมวิตกถูกหลอกไปที่แบบนั้นนะเสร็จทุกราย <c oughs> <c oughs> ยินดีไปกับเขาแล้วทีนี้เหมือนกันพอไปเสร็จแล้วเกิดกามวิตกขึ้นมาพอกามวิตกเกิดแล้วมันหนักมาก แย่แล้วโอ้โหเราทำาไงดีวะเดือดร้อนวิ่งกลับไปหาพระเจ้าพระเจ้าเลยมาแก้ให้พันด น, นังจะลังกิตตังทุรักังทุนนิวารายังว่าจิตนี้มันดิ้นรนกับกรอกมักตกลงไปในอายัตถกามนิปปัตนังมักตกอยู่ในอารมณ์อันหน้าใคร่เสมอมักตกอยู่ในอารมณ์นหน้าใคร่เสมอ เหมือนกัน ừ, ดังนั้น ก, การรักษาสิลปดเพื่อให้สีลข้อสามเนี่ยแน่นอนให้ห้านาทีใครจะถามอีกไหมถ้าเราพิจารณาเรื่องจะพิพจาราอา ก, การสามสิบสองเนี่ยถ้าเราอยากจะพิจารณาเป็นอสุภะแต่ ก, ก็อสุภนะนั่นแหละแต่อสุภะมันจะต้องเข้าในไม่ใช่ออกนอก อจากศพแล้วก็น้อมเข้ามาที่ตัวเองตรงน้อมเข้ามาเราเห็นซากศพอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> เห็นซากศพเน่าห้อนเฟะมันเกิด อ, อะไรสะอิดสะเอียนอาการสะอิดสะเอียนคืออาการที่จิตไม่ปรารถนาอย่างนี้แต่มันปรารถนาสิ่งที่ตรงกันข้ามถ้าอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นเราต้องน้อมเข้ามาข้างในแม้ร่างราก ไ, ไอ้นอนที่ชรนใจอยู่ที่ร่างกายนี้ แม้แต่ร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเมื่อใดที่จิตมันยอมรับได้ว่าร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเมื่อนั้นแหละมันจะ เ, เกิดเป็นองค์ธรรมขึ้นได้พระพิจ้ารณ์บอกว่าอาสุภานุปัสิงวิหรันตังอินทรียสุสรหูตังโภชนามีจะมัตตัญญูกุศิตังเอออารัตถวีริยัง ตังเวนับปสสหติมาโรวาโตรุขขังวารุปบลังแน่แมนจริงๆพระเจ้าว่ า, ามานเนี่ยมานคืออาคุณธรรมทั้งปวงเนี่ยมันจะรังานเราไม่ได้สำหรับบุคคลนะอสุภานุปัสสิงวิหรารตังคือที่อยู่กับการอยู่ในการพิจารณาเห็นถึงอารมณ์ที่ไม่งามเป็นปกติ แต่เราโดยปกติทั่วไปผุ้ตุชา น, นี้อยู่ตรงขั้นข้ามใช่ไหมเราต้องอยู่กับการงามเป็นปกติวัด <c oughs> การฝึกฝนอาการ32เพื่อการฝึ ก, นากาฝกนเพื่อให้จิตได้อยู่กับอารมณ์ของอริยะอารมณ์อริยะคืออยู่กับอารมณ์อันไม่งามเป็นปกติเพราะอาการสาที่สองทุกอย่างเลยผมขนเล็บควันหนังพอเราเข้าไปแยกแยะเขาดูเขาเนี่ยสีสันฐานกลิน่นรูปร่างต่างๆเหล่านี้มันไม่มีอะไรที่จะบอกเราว่างามเลยเล็บอย่างนี้เไหม ตัดแป๊บเดเดี๋ยว ด, ดำปีอะไเนี่ยข้างในมันหอกออกมาจากอะไรหอกออกมาจากฐานเนี่ยข้างในก็หล่อเลี้ยงด้วยน้าเลือดน้ำเหลืองใช่ไหมหมกมุ่นอยู่กับน้ําเลือดน้ำเหลืองถ้า ต, ตั้งไว้เฉยๆไม่ชําระไม่ขัดไม่ล้างมันก็จะคายสิ่งสกรปรกดําๆออกมาอมนั่นแหะมันเป็นปฏิกูลเดี๋ยวเล็บเราเองเนี่ยถ้ามันตัดตัดตัดเสร็จเรากําลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เล็บของเรามันร่วงลงไปในชามก๋วยเตี๋ยวเราเราไปไงกินลงไหม แม้กินลงมันก็ต้องฝืนใจสะอิดส่เอียนน่ะแต่ว่าเสียดายเพราะมันแพงบางทีแต่มันมีอาการส่อิดส่อเอียนที่จะนั่นอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องหัดพิจารณาการใจสองเพื่ออยู่กับอารมณ์อันเป็นอริยะน้อ<ช>ือแค่ว่าแค่ว่าเห็นเห็นเห็นรูปสวยๆเนี่ยพอคิดถึงคิดถึงว่าถ้าลูกนี้เป็นโสกนี่มันก็แย่นะเจ้าค่ะต้องคิดถึงว่าเหลืออีกโสใช่หมาวามแค่นี้ก็ หานไปที่กายหานไปที่กายตัวเองพิ่เจนะโอ้กายไม่นานนออบังเกิดก่อแล้วกลับกลายดุดฟองแหงน้ำไม้ที่เกิดดับโดยฉับพลันสิ้นลมแหงง่ายใจ สิ้นลมหงหายใจชีพบนไลัยไม่กลับหันหอนมีสิ่งสำคัญเพื่อประโยชน์สักนิดเดียวคือว่าพอเราศึกษาการสิสองหันเข้ามาสู่กายใจของตัวเองแล้วเนี่ยเราก็จะรู้จะเห็นชัดเลยว่าแขนขามือไม้ตาหูผมขนอวัยวะเล็กน้อยใหญ่ข้งนอกในร่างกายของเรานี้มันก่อตั้งขึ้นมาแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทุกชิ้นหาสาระเพื่อเป็นประโยชน์ไม่ได้สักนิดเดียว พิจารณาอย่างนี้จนจิตมันรู้ประจัแกแจ้งเข้าไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เราโดยผุุ้ชนถ้าหากว่าไม่พิจารณาอย่างเนี้ยโดยทั่วไปมันจะยืนอยู่ในสิ่งตรงกันข้าม ท, ทั้งทั้งที่มันเดินอยู่กับความเป็นจริงแต่มันจะยืนอยู่ในสิ่งที่ตรงกันข้ามอนะัน <classmates. S 2> นี่อย่างเนี้ยฟ่าหัวเขานอะลูกสะบ้าออกไปแล้วใส่ใหม่อล้ <Amend Yas. S 2> อ่ายังนี่นี่คือว่ามันเดินอยู่กับเดินอยู่กับความจริงแล้วนะ ว่ามันไม่มีอะไรเป็นสมบัติของส่วนตัวแล้วแม้แต่ลูกสบ้าตัวเองเนี่ยรักษาไว้ไม่อยู่ต้องถอดออกไปเอาของปลอมก็มาใส่เดินอยู่กับความจริงแต่มันยืนอยู่กับสิ่งที่ตรงกันข้ามคือจิตมันยังปรารถนาแต่ว่าโอ้ยผ่านแล้วสบายสบายแล้วสบายแล้วสบายแล้วสบายแล้วตรงนี้ก็สบายตรงนี้ก็สบายอ่าพอตรงไหนมีปัญหาอีกก็เอาออกเอาออกเหมือนกลองใบหนึ่งอ่ะพอมันทะลุก็เอาหนังหนังมาแปะ ออเดี๋ยวมันก็ทะลุอีกอ๋กอาหนังมาแปะอ๋อเดี๋ยวมันก็ทะลุอีกอ๋อหนังมาแปะเดี๋ยวมันทะลุอีกอ๋หนังมาแปะทะลุอีกอ๋หนังแบบตกลงว่ากลองทั้งหน้าหนังแท้หายหมดแล้วไอ้ที่ตีอยู่เนี่ยของปลอมนะั่นน่หนังที่เอามาแปะแ้วมันต้องเปิดใจรับเขานะพระพิจารณ์เลยบอกว่าอันนี้เป็นอารมณ์มริยะอสุภานุ ป, ปสัสสิงวิหารตังให้อยู่กับ อารมณ์ที่พิจารณาให้เห็นจิตประจักษ์ว่ามันไม่งามเป็นปกติอินทรีย์เยสุสุสังหูตังให้พิจรณาและก็สำรวมอินทรีย์พอเรารู้อย่างนี้พอเรารู้อย่างนี้มันจะเป็นตัวช่วยที่จะให้เรามาสำรวมระวังอินทรีย์อินทรีย์คืออะไรคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์ในอินทรีย์นอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพะและก็ธรรมารม อินทร์นอกก็คือโลกนั่นแหละอินทรีย์ในก็คือตัวเราการที่ตัวเราไปกระทบกับโลกส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดผัสสะมันจะทําให้เกิดการสํารวมระวังสํารวมระวังตรงไหนอ่ะมันสํารวมระวังตรงที่ว่าพอผัสสะแล้วมันจะปรุงแต่งเข้าไปอาคุสนใช่ไหมแล้วปรุงแต่งเข้าไปสู่ทุกเนี่ยมันจะทําให้เกิดการสํารวมระวังตรงนี้มันจะช่วยได้มากโพชนาภิจะมัตตัยุงพิจารณาอาหาร เรื่องอาหารสำคัญนะเดี๋ยวว่าหลังจะมาพูดทันทีเรื่องอาหารเนี่ยแต่วันก่อนก็เคยพูดไอ้อาหารีปฏิกูลสัญญาครั้งหนึ่งแล้ว อ, อถ้าใครอยากฟังก็ไปหาหรือฟังได้อาหารีปฏิกูลสัญญา<ม>คืออันนี้ก็อยู่ในชุด อ, อารมณียะน่นแหละอาถรพานุปสิงวิหารันตัง เราก็ต้องหาตัวช่วยหลาทางให้จำไว้เถอะว่าเราทุกคนนั่งอยู่ในห้องนี้ไม่นานตายแล้วตอนนี้เดินอยู่กับความรู้ของพระพุทธเจา้าเราจะต้องใช้รูปนามคือกายใจเนี้ยอย่าไปหลงว่าฉันอายุยังน้อยอย่าไปเพลินว่าฉันมีตังค์อย่าไปเข้าใจผิดว่าฉันเป็นเจ้าของกิจการให้ดูที่เรานั่งตรงนี้เนี่ย ข้างหน้าเนี่ยพลตรีเนี่ยเป็นคุณหมอเป็นอดีตโอ้ยเยอะแยะไปหมดอ่ะไอ้วันนี้ชรามันเคีียร์ซะจนอย่างนี้แล้วเราก็อยาเราก็จะหนีจากอย่างนี้ไม่ได้นะนี่เรียกว่าสภาวะทุกเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าไม่แน่แน่อยู่กับพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเสียของ เกิดมาชาตินี้เนี่ยเสียของแน่นอนเพราะโอกาสที่เราจะมาเกิดมาเป็นมนุษย์อีกทีหนึ่งเนี่ยโอ้ยยากที่ท่านเปรียบไว้ดูความยากนะเหมือนฮะเก่งสักนั้นรู้หมดอ่ะก็เรียกวรู้หมดอ่ะอดไม่ได้ พระพุทธเจ้าว่ากิจโจมนุสสาธิลาโภการเกิดเป็นมนุษย์มันยากกิจจ่างมัจจานชีวิตังอันนี้่งทายนะการมีชีวิตของสัตว์ผู้ซึ่งจะต้องตายนะยากดูแค่สองบรรทัดเนี้กิจโจมนุสสาธิตลาโภเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ว่ายากกิจช่างมัจจานาชีวิตังการอยู่ให้รอดนะมันยากกว่า อายุเท่าไหร่พเนเออไม่ต้องกลัวหรอกตอบไปดังๆฮ่าทำไมเชียนมันอ่อยๆไว้ตรงหกคนที่เกิดรุ่นเดียวกับลูกตายไปกี่คนแล้วนะเยอะแล้วใช่ไอ้ที่รู้จักใช่ไหมไอ้ที่ไม่รู้จักอีกเหรอห้าร้อยก็แบบตายไปสี่ห้า ไอ้นั่นที่รู้ใช่ไหมส่วนที่ไม่รู้อีกอะแล้พวกที่เกิดหลังเราอีกอะแล้วจะนับภาษาอะไรกับรุ่นโน้นอะฮะรุ่นโน้นอะเห็นคนตายมาเท่าไหร่เพราะพุทธเจ้าบอกกิตช่างมัจจานาชีวิ ต, ตังแปลว่าการมีชีวิตของสัตว์ทึ่งจะต้องตายแน่ๆนี่มันยากมันยากเพราะอะไรเพราะเราก่อตัวขึ้นมาเป็นชีวิตปั๊บ มัตตุราชครอบปุ๊บชราขังรั้วไว้มัตตุราชครอบไว้ยังไงว่าไปเหอะมึงต้องตายแน่ๆ <c oughs> ไอเราก็อยู่กับความหลงนะ่ะก็มาวันๆตื่นเช้ามาก็ยืนหน้ากระจกเสรยผมแต่งหน้าทาปากผัดแป้งโอ้ไปก็แต่งตัวก็ต้องดูว่ามันตรงแควชนนะหนึ่งนอนอย่างนี้ หลงไปกับรูปกำนามที่มันเข้ามาปรุงแต่งหลงกับสิ่งที่เข้ามาปรุงแต่งไปเรื่อยเรื่อยเรืยือยียนจบมาเป็นนั่นเป็นนี่เป็นเจ้าของเป็นหัวหน้าเป็นลูกง้องบา้ากันไปไม่รู้อะไรต่อ น, นี้อะไรแล้วแล้วอะไรแล้วเราลืมเลยว่าแท้ที่จริงเนะี่ยที่มึงเป็นอยู่ได้เนี่ยมึงต้องตายนะเพราะมัจจุราชมันครอบอยู่มัจจุราชนี่ครอบเนี่ยหมายความว่าอะไรไม่มีที่ให้หลบ ไม่มีเครื่องมือช่วยให้รอดและมัจุราชครอบไม่พอนะมีชารามาตีรั้วขังไว้หมายความว่าเราจะดีเด่นแค่ไหนรวยแค่ไหนจะเรินเรื่องรวงแค่ไหนออกจากคอกนี้ไม่ได้แล้วไอตัวชาราจะทำงานตลอดเวลาเนี่ยแม่สองคนนี้นั่งข้างหน้ามันเหมาะกับพูดเรื่องนี้จริงๆขออภัยนะนี่ โอ้เนี่ยต้องโยมมาลีหมอคานิกามันเหมาะกับการพูดเรื่องนี้จริงๆอพอก็ขึงรั้วไว้พระพุทธเจ้าตรัสชะรังสพเพสตามาริสันติสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นจะตายคำว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นนั่นคือเราด้วยไหมเราด้วยอมรณ น, นตังฮชีวิ ต, ตังเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดเราเคยคิดปะ เราไม่เคยคิดเรารู้แต่เราไม่เคยคิดทำไมถึงบอกว่าเรารู้แต่เราไม่เคยคิดเพราะจิตเราไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นจิตเราไม่เคยรู้สึกว่าเรามีความตายเป็นที่สุดแต่เรารู้นะเรารู้ว่าเราต้องตายแต่เราไม่เคยคิดเพราะจิตเราไม่เคยรู้สึกไม่เคยมีความรู้อย่างนี้อย่างโดยประจักษ์ว่าเรามีความตายเป็นที่สุด อเอาอนี่เราไม่ตายพระเจ้าก็กันไว้อีกไอ้พวกที่ยังไม่ตายอ่ะมันหลงเพลินใช่ไหบอกว่าชรังปิปตตวามมรนังแม้อยู่ได้ถึงชราก็ต้องตายหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราอาจจะรอดพ้นไปจากสิ่งอื่นได้แต่สุดท้ายเราต้องตายเพราะชาลาเนี่ยเป็นของจริงเป็นของจริงทั้งนั้นนะเอวังธ ร, รมมาฮิปานิโน เพราะสัตว์ทั้งหลายมีอย่างนี้เป็นธรรมดานั้นกิจฉังมัจจานชีวิตตางการมีชีวิตของสัตว์ซึ่งจะต้องตายแน่ๆเนี่ยมันยากเนี่ยอยู่มาจนหกสิบเท่าไหร่เนี่ยยากนี่อยู่มาจนเท่าไหร่ดังๆก็ได้ <laughs> ยากไหม ย, ยากอืมลองย้อนหลังกลับไปดูที่โยอยโรารอดมาจากเหตการนั้นได้ยังไงเหตุการณ์ร <laughs> รแรกนอนอยู่ในท้องแม่ จมอยู่ในน้าคร่ำมาที่มันเข้าไปอัดอั้นอยู่ในจมูกเข้าไปอัดอั้นอยู่ในอุ้งปากมันไม่ตายตั้งเก้าเดือนนะมันรอดมาได้ยังไงวะเอาตอนออกจากท่อแม่อีกสมัยก่อนนี่ใช่หมอตำแยโอ้ยก่าจะโผล่ออกมาเป็นผู้เป็นคนได้บางคนโผล่มาแล้วแม่ตายเพราะมันผ่านการเจ็บปวดอย่างสาหัสบางคนก็ตายทั้งแม่ทั้งลูก บางคนลูกก็ตายบางคนพอทำท่าจากคลอดอะ่ะหัวออกมาแล้วตัวออกไม่ได้ตายบางคนมันจังหวะที่ขามันออกมาก่อนหน้าก็ติดหัวติดอยู่ข้างในตายดูนีมันก็ตายกันมามันเยอะแยะมากมายนะเรามันโชคดีมันโผล่ออกมาได้อาใช่ไหม แล้วในระหว่างที่ออกมาจากท้องแม่แล้วคิดดูที่สภาพที่มันตายที่จะให้ตายนะหัวใจเราเต้นตึบ๊บตึ๊บต๊ บ, ต, บตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มันหยุดเต้นได้ไหมไอ้ตอนนั้นมันไม่หยุดเนาะตอนนี้มันก็ยังไม่หยุดแต่มันหยุดไหมหยุดไม่มีใจไหนไม่หยุดหยุดหมดอะหยุดทุกหัวใจแหละเราเดินตอนเด็กเด็ก ตึกตึ๊กตึกแค่ล้มหัวควาดพื่นก็ตายแล้วแล้วมันมันรอดมาได้ยังไงมันไม่ล้มว <c oughs> ะท่านท่านจึงเปรียบพระเจ้าจะเปรียบอย่างนี้พระเจ้าเปรียบเหมือนเราเนี่ยเดินอยู่แล้วถืออ่าถือหม้อน้ําที่เต็มปริม่ะนี่สมมติหม้อน้ําแล้วถามันเต็มปริมนะแล้วมีคนถือดาบอยู่ข้างหลังเหงื่ออย่างเงี้ย ยหญ่หกนะมึงหกควันคอขาดเพราะฉะนั้นโอกาสไอ้คนนี้มันทาน้ำหกเนี่ยมากไหมมากนอกจากว่ามันจะประคับประคองระมัดระวังแล้วมันโอโ้โหมันไม่ตรงนี้ก็ตรงโน้นไม่ตรงนน้นก็ตรงโน้อนน่ะมันต้องขาดคอมันต้องขาดอะ่ะหรือพระพเจ้าเปรียบเหมือนกับภูเขา ที่กลิ้งบดขยี้เราเป็นสัตว์ตัวเล็กๆ เ, เดินหนักๆๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีภูเขาสามสี่ลูกกลิ้งบวชขยี้เข้ามาหาเราอืมบางทีท่านก็เปรียบเหมือนกับไก่ที่อยู่ในคอกที่คนเขาเลี้ยงไว้เอาเช้าคนก็ล้วงเข้าไปในคอกดึงออกมาเชือต์เชื้อต์แต่ไอไก่ที่อยู่ข้างในมันโงอมันแย่งตัวเมียกันมัง่งแย่งกินกันมั่งแย่งนู่นทำทุกตัวมันรู้นะว่าเดี๋ยวจะถึงคิวใครว่าถึงคิวใครว่ามันจะมีปัญญามานั่งทะเลาะกันไหม ไม่ทลาะแล้วอก็เหมือนกัน่ะโอกาสที่เราแล้วก็ท่านเปรียบไว้อีกพระเจ้าเปรียบอีกอันนี้เปรียบดีมากเหมือนกับไอ้ก้าวย่างของเราคือเวลาของเราที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเวลาของเราที่มีไปไปไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเหมือนก้าวย่างของโคที่เดินเข้าไปสู่ที่เชือดเหมือนนายโคคาดจูงวัวไปสู่ที่เชือด ก้าวย่างของโคที่มันก้าวก้าวก้าวไปนั้นนะ่ะมันก้าวไปเพื่อใกล้สู่ที่เชือดใช่ไหมเออวันเวลาของเราเนี่ยที่เราหายใจไปแต่ละคู่แต่ละคู่เวลาที่ผ่านไปแต่ละนาทีแต่ละนาทีแ ต, าทแต่ละวันแต่ละวันให้รู้ไว้เหอะมันเหมือนกับโคที่เดินเข้าไปใกล้ที่เชือด <c ười> ใกล้แล้วอันนี้ริอรนินนล้วเนี่ย <c ười> ถ้าเราพิจารณาแบบนี้ เราก็จะได้รู้ว่าเราประมาทไม่ได้จริงๆนี่เราพร้อมหมดทุกอย่างเนี่ยกิจจ่างมัจจานชีวิตังในเมื่อมันโอกาสที่เราจะต้องตายตายตายหนึ่งมันเยอะมากแต่วันนี้เราเป็นยังไงยังไม่ตายกิจอ่กิจช่างสัทธรรมัสวนางการมีโอกาสได้เจอสัทธรรมพระสัจธรรมสัทธรรมธรรมะอันเป็นตัวนำไปสู่ความพ้นทุกข์ที่เป็นทฤษฎี ที่เป็นสัจจะที่สามารถที่จะนำพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้โอ้โหมันยากมากนะมันยากมากที่เราจะได้มารู้ว่าอริยสัจสีจะได้มารู้ว่าศีลสมาธิปัญญาที่จะได้มารู้ว่าอาณาปานสติเงี้ยมันมันยากจริงๆแล้ววันนี้เราไปไงได้แล้วไม่ได้ใจปกติด้วยเราได้ด้วยกิจจังกิจโจพุทธานามุปปะโด เราเกิดมาร่วมในสมัยของอายุพระพุทธเจ้าอัี้ตรื่องนี้สำคัญสี่อย่างนี้เรามีครบเลยเรามีครบเลยแค่เราเดินตามที่พระพุทธเจ้าสอนเท่านั้นเองถ้าไม่เช่นนั้นเราก็แก่ตายไปกับความหลงความเพลินเฉยๆและสุดท้ายเวเราก็ไปเกิดเป็นอะไรไม่รู้แล้วอย่าหวังนะ ว่าไอเหมือนที่พูดกันว่าตกกระไดพลอยจนไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ก็สนุกสนานไปก่อนใกล้ตายแล้วค่อยว่ากันอย่าเด็ดขาดอย่าคิดเพอ้อเจอ้อแบบนั้นเพราะอะไรรู้ปะเพราะเวลาเราใกล้ตายนึกสภาพสิไอตอนนี้ยแค่เราเท้าเพลงนิดหน่อยเจ็บโอ๊ยร้องไปลั่นบ้านแล้วเวลาเราใกล้ตายเนี่ยกายมันจะแตกจิตมันจะพรากจากกายมันจะเกิดทุกขเวทนาอย่างหนักเลย แล้วทุกเวทนานั้นมันจะทำให้จิตเราเป็นไงใสไหมจิตมันรู้สึกมันใสพ่องไหมโอ้ยจิตมันรู้สึกดีดีเหลือเกินนะมีไหม <c oughs> มีเปะละ่าล่ะไม่มีมันมีแต่ทำให้จิตเป็นไงขุน ม, มัวเศร้าหมองอา้าวจิตเตะสังกิตเททุกกติปติกังขาจิตดวงสุดท้ายที่มันมัวหมองไปไหน ทุกกติเป็นอะไรวะทุกกติก็มีนรกเปรตอสุรากายเดรจ า, าน อ, อย่าหวังนโอ๊ยเดี๋ยวเด๋ค่อยเอาไปใกล้ๆตายตอนนี้ก็ยังพอแข็งแรงเซลล์ประสาททั้งหลายมันยังดีอยู่ก็เอาให้มันสวยสุขไปก่อน สุขจากการดูสุขจากการความสุขจากการสัมผัสเอาไว้มันสุขไปก่อนแต่จริงๆเนี่ไม่ได้หรอกผมไปใกลน้นอนอ่ะต อ, อนนี้เมื่อเราเจอพระพุทธเจ้าแล้วเราต้องทํำยังไงเราศึกษาให้รู้จากพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วศึกษาให้รู้จักคําสอนของพระพเจ้าศึกษาวิธีที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราศึกษาได้อย่างนี้เราก็พร้อมที่จะเดินตามแล้ว แล้วอะไรมันจะสำคัญล่ะทีนี้ไม่มีอะไรสำคัญเรียสาระสิ่งทั้งหลายหลหาไม่มีนะหาสาระในสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีนะมันเพียงแค่การเกิดขึ้นและดับไปเฉยๆไปหยิบไปฉกไปฉวยออกมาไม่มนะีอันนี้ที่พูดแบบนี้ไม่ใช่ปลุกระดมเลยพูดแบบนี้เพราะพวกเราทุกคนเป็นนักปฏิบัติ เข้ามาสู่เส้นทางสายนี้กันนานมากแล้วให้จำไว้เถอะสิ่งภายนอกที่มาแปะอยู่ที่ร่างกายกับรูปกำนามของเราไม่มีสิ่งใดเป็นสาระเลยแม้แต่ชิ้นเดียวไม่ว่าจะเป็นแหวนไม่ว่าจะเป็นเงินทองไม่ว่าจะเป็นรถบ้านที่ดินทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแค่เกิดและก็ดับไม่มีสิ่งใดที่เป็นสาระเลยอันนี้ข้างนอกนะแล้วข้างในข้างในอีก ข้างในของเราที่เป็นชีวิตรูปนามกายใจส่วนที่เป็นกายทุกชิ้นผมขนเล็บกั้นหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไ ส, ส้น้อยอ่านไมอาหารเก่าดีสเสลี่นองเลือดเงือมันค้นน้ําตาเปลี่ยมันน้ำไหลน้ำมูกไก่ก้มูดนี่ลมเดียวจบเลยเอาไว้แ <c oughs> ม่นนะลมเดียวให้จบ <c oughs> <c oughs> ทุกชิ้นที่กล่าวไปตะกี้เนี่ยมันมีอะไรที่เป็นสาระมั้ง ผมเป็นสาระไหมขนไม่มีไม่มีสาระไม่แต่อย่างเดียวแค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหมดหมดทั้งเนื้อทั้งตัวไม่เหลืออะไรเลยไม่มีแล้วเราจะทายให้ชีวิตที่มันยังไม่ตายเนี่ยเดินไปกับความหลงความเพลินเพื่อไปอยู่กับสิ่งซึ่งไม่เป็นสาระอย่างนี้เหรอใช่ปะ่ะต้องตักเตือนย้ำตัวเองให้บ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบอยมันจะต้องกล้าที่จะคิดนะ กล้าที่จะคิดกล้าที่จะสอนตนเองกล้าที่จะบอกให้ตนเองกล้าที่จะปลูกฝันกําลังใจให้กับตนเองเพราะว่าเวลาที่ว่าเรานั่งเศร้าโศกนั่งหัวอกตรมอยู่เนี่ยไม่ใช่เรื่องของรูปนามนี้เลยนั่งร้องไห้ยอยู่เนี่ยใครร้องไห้มัง่งใครร้องไห้เพราะเรื่องกายเรื่องใจตัวเองมัง่งน้อยคนยกเว้นตอนป่วยแต่ตอนสภาพที่แข็งแรงที่ร้องไห้ร้องไห้ยอยู่เนี่ยเรื่องอื่นทั้งนั้น เรื่องอื่นทั้งนั้นนะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ครั้งที่เท่าไหร่นะหกสิบสามก็ฝากไว้นะอย่าไปละเลยอย่าไปละเลยอย่าไปประมาทแล้วก็หวังว่าเลิกจากที่นี่ไปแล้วขวากด้วยให้ไปเดินจงกรมเก็บคะแนนด้วยนะไม่ได้เดินจงกรมกันนานมากกลับบ้านแล้วก็ต้องเดินมั่ง ต้องหัดเดินนะจงกลมเดินให้ได้วันละช่วโมงยิ่งดีนะเดินให้มันตื่นตื่นแล้วก็ไปรู้ลมเอาละ ว, วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลายาทาวาริวะหาปูราปาริปูเรนตีสาครังเอวะเบวอีโตทินนังเปตานังอุปกาปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหัง ขิปมเบวสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสั่งกะป า, าจันโทปนาราโซยัทามานิชโชติราโซยัทาภิวาทนาสิลิสานิจังวุธาปจายโดจัตตารธราวัตันติอายุวันโดสุ ข, ขังภะลัง